อปถึงจังห ว, วัดสุพันณเขาตุกขาจาบทอดมันถวาย โ, โหมดมาเป็นกำบังเลยเพ้่นั่งดูเราจินไม่ลงก็ืนั่งปร่งเลยจังว่าการฆ่านกกระจาบก็ฆ่านกตะกลมเนี่ยมันก็บ่าวเท่าคารุนชีวิตเหมือนกันนี่ยไหมไอ้พวกที่ขาดทุนเน่ยนกตะกลมตัวกินได้หลายคนนอกจับหลายตัวก็กินหลายคน ต้จริงคนเดียวหลายตัวใช่ไหมมันบาปมากกว่ากันเห็นข้าอโปรในจังมันขาดทุนเนี่ยถ้าไม่ได้ม่ฉันฉันไม่ได้หรอกเทอดกันทั้งตัวเลยนะพา อ, อกแล้วก็ทำทอดทั้งตัวพวกกรหลอกลอกแ ก, ก, กว่าอร่อยเดียเราก็ล่อไม่ลงมองเห็นเข้าไปาก็เห็นตันึหนึ่งชีวิตนกหรือคนก็มีค่าเท่ากันใช่ไหม นกก็ชีวิตคนก็ชีวิตถ้าเรากินไปตัวหนึ่งมาอิ่มตลอดชีวิตก็ยังขาดทุนขาดไหมเพราะหนึ่งตัวเราไม่ค่ายค่าตัวเดียวคุมแรกที่เราลงคือสัญชีพรรกมีอายุห้าร้อยปีนรกห้าร้อยปีนรกนะ แล้วก็เทียบวันหนึ่งนรกเฉพาะขุมต้นเนี่ยเก้าล้านปีของเราหนึ่งวันของเขาแล้ก็สามสิบปันเป็นหนึ่งเดือนหนสองเดือนหนึ่งปีเหมือนกันเมื่อไรได้ห้าร้อยปีแค่วันเดียวก็แย่แล้วใช่ไหมถ้าสมมติว่าเราเราฆ่าสัตว์ตัวเดียวเท่านั้ น, นออกจากสัญชีนรกต้องผ่านนรกบริวารอีสี่ขุม คนจะนกบริวารสี่ขุมต้องผ่านโยมนกดวที่นกอีกสิบขุมแล้วต้องมาเป็นเปรตสิบชนี้นพวกอสุรกายเป็นสถิติฉานมาเป็นคนโทษยังตามมากินนกตัวเดียวกินเท่าไหร่ตัวดีกว่าใช่ไหมก็มเลยคูณตามตัวดิสัวใหญ่เลยตอนนี้สัญชีนกก็ลงไม่ได้ลงต่อไปคนนี้ถ้ารอบมากๆไปจินตกรรม เลยลงอเวจีไปเลยแค่นี้ก็ยามาได้แต่โหดึกจาบันเลยกปมาได้ผ่านอาวจีเสร็จหนึ่งกับผ่านตลกบริบาลสี่ขุมข้ามมาขุมที่เจ็ดอีกครึ่งกับผ่านตลกบริวา ล, ลาวานนสี่มเรื่อยมาจังหวัดชิตทนทีตรกดึกจาบันมาเป็นเปรตอสุรกายาเป็นสศิษฐฉาลเปรตได้สิบสองพวกนะ จากหนักที่สุดจะกระเบาหน่อยเบาหน่อยเบาหน่อยพอถึงโพ่อที่สิบเอ็ดพอถึงชุดที่สิบสองเรียบรัฐทัตโตวิชีวเปรตพวกนี้ไม่มีไฟเผาไม่มีหอกสาบฟันแต่ว่าทรงหิวตลอดเวลาหิวพวนี้มีโทษจะหิวอย่างเดียวแล้วเปรแต่ละพ่อเนีกี่กลับก็ไม่รู้ไม่ใช่นับเดือนกันะนับกลับกันดีไหม รีบๆทำบุญชดใช้น่ยอั น, นี่คาคาเขาไว้ทำบุญชดใช้ี่มันไม่ค้นต้องทำบุญหนีใช่ไหมโมหน้าหนีอย่างเดียวและการหนีพระพุทธเจ้าก็สอนให้แล้วที่ให้ภาวนาเจริญกรรมาฐานเนี่ยคือเป็นการหนีที่ชัดเจนมากให้อธิษฐานบรารมี อธิษฐานบารมีถ้าเราตั้งไว้เฉพาะจุดเดียวคือนิพพานบางคนยะงเอาบ้านะไปได้เลยถ้าเราบ้าไปนิพพานเนี่ยดีกว่าบ้าโลโลกันเห็นไหมถ้าเราตั้งใจไว้ภาวานาไว้เรื่อยบุญอะไรที่ทำไ้ก็จำไว้ยังที่แจกของไปเนี่ยเขาแจกให้จำนะ ถ้าแจกเพื่อการแลกเปลี่ยนแจกทำไมไม่ต้องแจกเพราะคนที่มาทําบุญไม่ไม่ได้บอกของไม่ต้องการเขาแจกให้ไปเพื่อแปรนุสติเพื่อตามนึกถึงพอเองของนี่ปั๊บออกที่เราได้าจากการทาําบุญอนี้มันคั่มแล้วถ้าเวลาจะตายนึกถึงบุญอย่างใดอย่างหนึง่งมันนึกถึงของเราแจากไปรับแจากไปาากไปม่ชินเนะ่ะเฮ้ยของนี่อย่างไหนคนได้บอกมากพ่าไปทําเราวก็ ทำเวลาทําทําให้กรอบใสหลายๆลายเราอย่างดีใหญ่มากๆเห็นชัดใหญ่ผ่านไปผ่านมาได้เห็นเสมอเห็นปั๊บที่เราได้จากการทําบุญจิตมันนึกเองให้ตัวนี้แปลนุสติมันเป็นชาญเห็นทุกวันน่ะมันเป็นชาญเขาว่าชาญไม่ใช่ไปนั่งหลับตาปีชาญนี่คืออารมณ์ชินพอจะตาจริงๆมันก็ทุกขเวทนามากวองนึกถึงอย่างใดอย่างเลึ่ง พอนึกถึงบุญญาใดหนึ่งก็ไปสวรรค์ก่อนเปีย่งน้อย <c oughs> อย่างต่ำให้กําลังใจหนักแน่นกับเป็นอรมณ์เน่ถ้าไปสวรรค์หรือไปพรมตามไอ้อารมณ์เดิมที่ตั้งไว้เพราะนิพพานโดยตรงไปที่เดียวมันจะไปมไม่ลงอ่ะพอดินทางต่อพอถึงเบงเซนเทวดาแล้วผมก็บเป็นบารมีต่อไม่ยอมลงพวกนี้นี่เป็นการหนีชัดเลยนะเราไม่ไดโกงเจ้านี่ ถ้าเจ้านี่เก่งจริงก็ตามไม่ทันทีเว้ยใช่อ้ยนั่งคอยบนสวรรค์มาดีว่ามาอ้ยนั่งคอยทิ่พรมใ่ไหหรือไม่มาโอ้จะไปต่อใช่ไหมนี่ท่าเนเรื่องนี้สรุนว่าจบเนี่ยเป็นลีลาพระเจ้าทันเมตตาเราเพื่การตายไปแล้ว เขาถามว่าที่ตั้งใจไปนิพพานมันไม่ลืมแล้วมันจะไปลืมลอะไรไอตัวตายจะมันตายแต่ร่างกายจิตมันตายเมื่อไรเห็นไหมไอตัวคิดจะไปสวรรค์นิพพานไปผมมันตัวจิตคิดไม่ใช่ร่างกายมันคิดไอร่างกายตายจิตไม่ตายจิบนั่นไปจิตมันก็คิดมันต่อเลยไปเห่นไหมเอ๊ะไมาจบแล้วแถมอีกหน่อยอเรียกขาดทุนแค่นี้พอเนอะ 哈哈哈哈哈！哈 <laughs> ？阿雷？阿瓦伯？哈？阿 ใครอะคนไม่ใช่หมาแน่ <illes> หมาพู้สักคนไม่ได้หไหมบัก เ, เขา<อ>เขาเขามาเจอที่อื่นเวลามีงานอะไม่ไงอะ่ะเฮ้ย้ผมไม่ทำมั้งถ้าลกูกอดอยนไปถอยกับขนสัตว์งไเงเนาะ อ๋อคิดเอาคิดเอาคิดไงก็ได้เด้ออ๋ออ๋ออ๋อไม่ถามดูให้ลื้ yeah ่ลูกกระดอนเช็ดระหว่างอืมใช่ไหมเขาใช้ภาษาเจ็บเจ็บเขาลือเท่านั้นแหละใช่ไหม เขาไป่ไ้พบคำท่านคุณเลยนะเ ว, เวลาเวลาเวลาไหนอ๋อซื้อตอนห้าโมงเย็นกินผิดเวลาต้องล่าล่อตอนเย็นเทีย่ยงนีอร่อย ไอ้เด่นไอ้เห็นเฉพาะบุคคลก็ว่าไปเถอะและ้วยาเผลอก็แล้วกันยาเผลอไปล่อตัวปลอมคิดว่าท่นทานก็แล้วกันถ้าอย่างท่านคนนี้มาจริงๆท่านไม่บงลาบแล้วก็ไม่คุยมากใช่ไหมถ้ามาแล้วคุยมากไม่ใช่ถ้าทํางานทำงานงานี้ท่านมากันแน่แต่ว่าก็าไม่กล้าบอกถ้าบอกบ้างจะจําตัวผิด ไงเขาก่อน้องไปเจอผิดเอาันล่อตัวปลอมก่นมันแถวมันใอ้ตัวจริงไม่เอาเอ้าเอ้เดี๋ยวเดินสวยเดินยังหวาวสโลสวิง ใอรจะดูแทนอ่ะต้องดูเองเราเรานึกถึงชัยเขาพันโรงนั้นแทนไลยกันนะไม่รู้ใคยังไม่พบว่าดูลูกเขาปั่นไว้ ไปเดือรก้กระเป๋าฮะเรนเห็นนัดแต่เมื่อไร เ, เอาเรนสีเรนนสีในพรานเนือแล้วไม่ได้เชิญมาถ้าเหถ้าเห็นก็ชัดเพราะว่าให้คนอื่นมาได้ปลอมกันอีกได้รประกาศปลอมอีกท่านมาทุกงานเนะ่ะ จะมาลักษณะไหนนะแต่อธิอองี้ทีตอนกลางคืนเราควรจะภาวนาในทีฐานบ้านเราถ้าเราพบเป็นใครขอว่ามีพระเจ้าให้โดนใจรู้สึกตรงเราเป็นองนั้นจะไม่ผิดหรอก่ต้องเชื่อความรู้สึกเวลานั้น เวลานั้นจิตว้านจากกิเลสความรู้สึกเวลานั้นไม่ผิดไม่ผิดถ้าไปไปนึกใหม่บังทีผิดต้องเอาความรู้สึกเห็นปั๊บเป็ความรู้สึกว่าใครนั่นไปผิดแต่ต้องดูบางทีเจอพลั้นเนื้อเขานะ่ะ เ, เนื้อวางนิลามัดนิเสถ่าเขาเริ่มพูดมากยกย่องตัวเองมากแต่ก็หวังหลับ รับเงินนุ่มเจ็บใจยาเลยถาวยายเงินถ้รับไม่ต่อไม่ใช่แน่แต่นี่ผมพูดให้ฟังทุกทั่วไปถ้าลองถาวยงายเงินหนุม่มเล้รับไม่ใช่แล้วพวกนี้ท่านจะใช่อะไรจะซื้อขี้จะตายในป่าใช่ไหมไม่มีความจําเป็น แล้วถ้าพูดออกมาต้องไม่ผิดธรรมพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าไม่ใช่องค์ที่สิบสี่เอ็ดจะไม่เป็นพระรหังก็ตามถ้าพูดไม่ผิดหรอกพวกนี้ไม่ทิ้งรอยนะยิ่งพระรหังยิ่งไม่ทิ้งรอยพระเจ้าถ้าทิ้งรอยนั้นไม่ใช่ไอชาญโลกีจริงๆก็ยังไม่ทิ้งรอยพระเจ้าแต่ชานโลกๆๆีถ้าทิ้งรอยพระเจ้าชานก็พังชานก็เสื่อมทันที เมอานทีดีไม่เข้าฝัน่าเองไปวัดท่าสุงาเงินไปห้าหมือนนะเพราะยาเห็นตัวแม่แม่ถ้าก็ไม่เข้าฝันตามนั้นนะมันไม่เข้าฝันตามนั้นนะถ้าไม่มีขายใบแค่ร่องลกุกนี่ <c oughs> แกละไปดิสโอ้ถ้าสั่งไว้นวหน่งพไม้รงตังแม่ลืมแล้ววะนี่จะลืมลนั่น ใช้ท <Okay. S 2> ่านไหนปั่นลูกตามนั้นเมื่ฉันไปที่นิวซีแลนด์ไปที่โอกแกลด์ตึงตั้นตอนเย็นนอนพนาจนตื่ตื่นยืนปับ๊บฉันพระองค์ที่สิบเป็นดยรูปนี้เลยเหมือนจอง ที่ตอนนั้นนอนมันขยับตัวไม่ได้นิ้วเลื้อยขยับไม่ได้แล้วกเขาคลายแล้วเห็นท่านถ้าบอนี่เขาจะทำคุณแบบนี้นะแต่เขาจริงนั้นไม่ได้เป็นปั า, ารัยนี้ที่ทำให้เป็นอย่างนั้นความเป็นเลัาษณนอาออมาพาดแต่ว่าจิตใจทรงปกติแต่มือมนเคลื่อนไหวไม่ได้ปานเคลื่อนไหวไม่ได้ถ้ามีลมกลุ่มถ้าลมกลุ่มแบบนั้นก็ลมรก พอาการใครเห็นท่านเยืนบอกชันพระองค์ที่สิบเยเขาจะทำเธอมีลักษณะแบบนี้ตอนนี้ไปว่าคาถาสำไปจิตสามินะแล้วมาย้อนกลับอาการนี้ก็ทำมาคือคนสั่งคนรับสั่งคนทำแล้วพวกพอเนชอบด้วยจะเข้าหมดจะย้อนกลับของหามหมดเมื่อก่อนท่านบอกเมส ม, มุขขาสภาติเต็มสมุขขาในเฉพาะคน ถ้าบทนี้เข้าทั้งกลุ่มเลยดีไหมเดี้ยนี่ถ้ามงเอ้ให้ตาตังเราเนไปว่าเขานี่ทางผลับไปหาวตัง้งรูไม่ตีงันหนึ่งนะ <c oughs> จริงพระพุทธเจ้าเห็นท่านทุกคืนนะแต่ถ้าให้ใ ห, หลอยรูปนี้ใช่ไหมถ้านเลยไปในรูปแม่ดูเอาชั้นพระอุทิศถ้าเจียงไม่บอกเราก็รู้จักแต่เพื่อความมั่นใจเป็นเร่อผือเพราะอาการมันเครียดทางกายแต่จิตใจไม่เครียดแต่ทางกายเครียดมากขายับไม่ได้เลยนอนไม่ตื่นปากขายับไมได้นิ้วก็ขยับไม่ได้ ท่านเปบอกว่าเขาจะทำเธอให้มีลักษณะแบบนี้ก็น้องบูชากระโดดไปคนเนี่ยชายไปเลยหมอสมศักดิ์เราไปถามพระที่โรงพยาบาลบอกท่านมีจ ะ, ะแสดงการของความรู้สึกใช่ไหมพูดเพราะท่านบอกใช่แต่พูดไม่ได้ง่ถ้าเราไม่เชื่อแต่ว่าฉันต้องเชื่อเพราะอะไร เพราะชิโยเพราะปานมานสัมผัสกันหลายปีใช่ไหมเห็นทุกวันเลยที่เไม่ต้องหัวเจอเจอหน้าทุกวันได้เข้าไปเป็นนักใหม่ๆจะไปบวชพระนี่เด็ก้าสาวรุ่นรุ่นคนถูกทําอย่างนั้นเขาหามขึ้นมาจากเรือเลยดิน้นโอ้แกร้องหน้าดูพอถึงมนด่างปับรถพอบปบอกพ่อ ป, ป, ป, ป, ปานบอกแกไปรถตมนวจแน่เราเพิ่งเข้าไปวันนั้นน่ะ ฐานพ่อครับว่ากระถานอะไรบอกแกไม่ต้องว่าถานแกมีหน้าที่รถอย่างเดียวงลดไปรดยิงรถก็ยินดินนีลดยิงดินดินนำหนักเข้าเพราสุกฉีกเสื้อฉีกแสามันเจ็บเนี่ยแล้วฟุบลงไปพอฟุบไปก็ปั่นรถหนักเข้ารดต้นเลยไปเดี๋ยวจะลุกมาปั๊บไม่โตหล่นเป้งขนาดนี้ไม่โตโอ้โหมีสายสังผูกสามเหมือนผู้พีเนี่ยไอ้หนุย เขาม า, มาใหม่ไม่ใกล้ใช่ถ้ามีธุระอะไรก็บอกนะถ้าไม่บอ ก, ช ก, กเชิญคุยก็เฉยไป4ีโมงกลับนั่นเห็นชัดๆไอเราไปใหม่ท่านเลยเอาให้ใหดูซะเลยเราเป็นคนรถเองใช่ไหมถ้เด็กคนนั้นถืออะไรมาไม่มีถือมาโทษมันลุกไม่ขึ้นถืออะไรมาแต่บางคนเอ า, เอามีดผูกที่อกบอกมันไม่บ้าแบบนั้นหรอก ไอ้ก่อนนั่นก็ฉีกเสือ้อฉีกเสื้อก็เป็นหลุดทั้งตัวทั้งด้วนหน้าขาดไอ้มีโต๊ะมันยาวเต็ม อ, อกเลยเออจ้ะเยอก่อนเยอะก่อนมายัางไหนจ้ะฮะอันนี้โ ย, ยมนั่งลงลงที่ข้างหลังเข้ามาได้นะต้องไปแท็บสิไปแทบข้างหลังเข้าไม่ได้อไปทางสายนะแไอมาว่าไงนู้นเอ่เอ เดี๋ยวก่อนที่วัดเดียวต้องมีอะไรมาให้ไม่มีตังค์สร้อยก็เอาเออไม่ง้เสื้อและผ้าก็เอาดีไหมเอ่อพิคุเ ข, ขบแรลผู้ขอจำไวนะ้น <laughs> ะเป็นไปไหนมาเลย ถาว่าไปไหนกันมาขารภาพเลยเออได้ไปกี่ตัวล่ะ อ, อ๋อขารภาพไปแล้วเลยดีดีจ้ะแล้วที่นั่นไม่พลาดหลายองค์มั้ยทั้งหมดเจ้าคารภาพก็เห็นใ จ, จยันแลง วความจริงไปที่ก่อนนั้นไม่มีอะไรนะแกเอาขี้ข้างข่าวมาทำพื้นตรงนั้นนัง่งข้างข่ า, ขาวมากเอาขี้ข่าวสมในไม่ต้องหาอยู่ในในถ้ำแล้วทํำสนทําพื้นให้ความพยายามมากแต่ว่าสร้างวัดในถ้าดีไม่ต้องเปลืองฝาตังเราจะปรับพื้นให้เรียบไปกหมดเรื่องกันแล้วเห็นไห รับรองพายุมาเท่าไรบ้านนั้นไม่พังที่พวกปานให้ฉันรถตำรวเพราะว่าเราเข้าไปใหม่ก็อยู่ในกลุ่มของคุมอีกคนอีกพวกหนึ่งท่านต้องการรู้ความจริงถ้าคนอื่นรถตำรอาจจะหาว่า เซอร์ซ่าไอ้เด็กมันหลอกมึงเขาได้ใช่นไหมให้เลยให้เราซะเองเลยอ๋อเจ้เอ้าโจตีมีถูกไหนเจ้าเอาใส่บาตรเจ้โจดีนะจ๊ ะ, ะ, ะ, จ ะ, จะไปเท่า น, นี้เลยขาวสภาพไปกี่คน นั่งนับตรงนี้นี่แต่มันหล่นหายเลยไม่รู้เนี่ยไอ้นหนูตอนนัททำอะไรนับมันนั้นนะเพื่อเยรู น, นี่ที่มาดีโอ้โหนับหลายเที่ยว <c oughs> <c oughs> แค่สิบคนนับตปก่เที่ยวสเที่ยว เป็นอะไรไปถามครูเขาวันต่อไปถ้าอยาั่งกับประธานบอกครูเขาแล้วสำนนี้ต้องการพบคนนั้นนะบอกครูเขาบอกว่าวันวันก่อนเราพบอย่างนี้วันนี้ต้องการพบคนนั้นให้ผ่านพบกอะไรแอบเบอร์โชคดีมีตุกกรุงเทพเลยอ๋อโชคดีมีตุกนะเอ้ย ไปเราเร็วอะไปเราเร็วก็วิ่งไปก่อนออคนนี้ไปชาติเราเราเ็เจ๋ง ไอ้โคเนี่ยพยายามจริงๆเอาปล่อยม่ชินิดเอออในหลังไอ้โทรเลขบอกทีนะให้ส่งตะปใูใหม่ๆมาเป็นลังๆนายจะโยมจ้าเออโชคดีนิดจุกจะอยู่คนเดียวเลยของคนจ้าเออจ้าฮ ะ, ะงั่นเลยอ๋อ เขาดีเขาดีดีใจ่ะค่อยค่อยไปพรเขาได้บ้างแล้วก็ไม่ใช่ว่าเขาตามกันนะ โชคดีมีโชนะ ก็ใครเนี่ยนั่นเลยวันแม่แม่เลยเที่ยวแม่แม่เที่ยวใหญ่ดีใจจุดีในโัวสุดจ้าันน่าจะมีวันหยุดทุกวันนะ สามโมงกว่าแล้วเดี๋ยวกลับบ้านได้นะลูกเอ้โอจตีมีตัวเอาเลยเวลาเดะเดะฮอกเทมันนั่งรถฟรีอ๋อ <laughs> ดีห่วยเห็นเองเข้าจะนึกเธอนี่นปีชามันอยู่หรือเปล่าตาเป็นห่วง ชาวชาวสมนึกคนเจ็ไปพวกนะแ้รับใบรับใบรถมันถูกไปพวกเออวันนี้เดินกลองเดินกุศลนี่นะเดินกองแดงกุศลเนาะคนนี้เดินน่แดงกุศลี่เดินเข้าวัดแดงกุศลแต่ว่าถ้าเดินไปขโมยของวัดจะได้บาปนะเข้าไหเดินไปทําบุญ เดินข้าวัดถึงหม้ว่าไม่ทำด้วยสตังมือมีความลิ่มใสมือใจนิ่มใสมือยกมือไหวก็ได้เลยกุศลนะเจ้านะไม่เห็นหมายความเข้าไปวัดต้องเสียตังซิ้นอันนี้ทองเสมอไปไม่จะเป็นอาบุญกันแต่เดินไปมองอะไรอยู่ที่ไหนว่าวันหลังกูจะพูดโมยอันนี้อินทินได้อากุศล เออเช้าอันซ <laughs> like ja. ึปพ huh? <t arp> ิมตำรวจจับร้อยร้อยเอกนาถางกระโมยของวัดสิเออเราจะฮะเออเออ่าไงเอแล้วเอ็งพอฝึกเขาดิทำไมเอากบพูดเขารู้เรื่องมาจาเป็นติของเรานี่ อ้าวเลมาก็ได้ไงอ้าววิรัตเขาได้ไปฝึกไปค้างเขาค้างมาเลยค้างกลับมาเลยได้กลับมาเลยลออ ไ, ไ อ, อไไไไ้กินข้าวได้ไงวะไม่ใช่เดี๋ยวพูดภาษากินข้าวไม่เป็นนะนี่เออได้วิรัตเขาสอนได้เฮ้สี เวลาจบแล้วแฝ่เลยไมรัดไมรัดแต่คนนี้ฝรั่งแกจะไปฝึกกรรมฐานเป็นหน้าที่เวลาแค่นะันใ่คนนี้ลยฝึกกรรมฐานนะอ๋อพอ่แต่มันยังไม่เข้าใจบางศัท์ไม่เข้าใจดิ ใช่ใช่นั่นดิจะได้เข้าใจกันนะแต่บ้างที่เนี่องในสับตรงนามาเขาจะไม่เข้าใจถ้าสาวฝรั่งเองไอ้ตัดผมตอนนี้อยู่ไหนยังไงยังอยู่หันใหญ่เลย อ, เอ๋อออสีห ม, มาไม่เอ <c oughs> อจอเนาะเอาได้หรอกไอ้พักไหนหนอนนอนพักที่ไหนหเวลาเราฝึก เพ้อมมาเลยกลคือวันนี้เขาไม่มีมัม้งมีเปล่าเนอะแต่อาจจะกลางวันด้วยมัอโ น, โนยิธิเขฝึกกลางวันก็าคือเขาเขานั่งเฉยเฉยพ อ, อวันนี้ก็ฝึกได้เปนั่งยมงีก่อนฝึกสมาธิธรรมดาก่อนผ ส, อนสองอารมณ์พอกลางวันเขาจะฝึกอ โ, โนยิธิเนี่ยไปเลยเปเ็นตอนนี้ใช้สองเวลากลงั ตอนเที่ยงครึ่งแกเวลาที่อยู่ไรว้วันน้ำเปล่านะจ้ะอืเดี๋ยวซื้อตัวก่อนเนี่ยเดินชมว่าจะซื้อตัวก่อนนะ เอออมฮึฮึฮึฮเยไม่เองเนี่ยเลยให้ไปดันยังไปที่เขาทำงานอยูหลันนายเลยขึ้น้ังคาต็กไปเลยลงไม่ได้เหงื่อแตกสักเลย่ไม่เรื่มมาก พ่อหนักใจหน่อยก่อสร้างสร้างกระสอบเล็กไว้หลังหลังอ้กระสอบเล็กเๆมันจะเสร็จเนี่สร้างลังคาคุมกระสอบลังคากระสอบหลังใหลังคาเสร็จแล้วเนี่ยพึ่งกระสอบอีกพึ่งกระสอบก็ไม่ใหญ่ทั้งหมด12ไร่ตัวเอง ไปไำตอบมันไม่มีพื้นสูงพื้นต่ำกันจริง